สิบปฏิจสมพิทาวิพัง 1. สุตันตภาชฉนี 1. สังฆาวาล7จ็ปฏิจัมพิทา 1. ส, าสคาาือ 1. อัฏฐปฏิจัมพิท า, ออธธมาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัฏฐสธรรมะปฏิจัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิจัมพิทา หมายถึงปัญญาแตกฉานในนิรุธ 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอัตชื่อวอาธธ่าอัตปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าสังฆ ะ, ะวาน 2. อสัจจวานเจ็รปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรมมปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา ความรู้ในทุกข์ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาทความรู้ในทุกคติมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกคณิโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกคณิโรธคาไินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตตานั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าสัจจวาร 3. เหตุวานเปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัตถปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา สปฏิภาณปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในผลของเหตุชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าเหตุวาสธรรมวาน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 ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าธรรมวาล 5. ปฏิจจะสมุปปาทวานเจ็ร้อยปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทาสนิรุตติ ป, ปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา ความรู้ในชารามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุเกิดแห่งชารามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในความดับแห่งชารามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทา ความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา723ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา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 ความรู้ในเหต pues ุเกิดแห่งทั้งขานชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในความดับแห่งทั้งขานชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งทั้งขานชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรณธนั้นชื่อว่านิวรณติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิ พาณปิติสัมพิทานี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทวาล 6. ปริยัติวานเจ็ดรยยีิบสปิิสัมพิธา4คือ 1. อัฏฐปิติสัมพิธา 2. ธรรมะปิติสัมพิธา 3. นิรุตติปิติสัมพิธา 4. ปฏิภาณะปิติสัมพิธา บรรดาปฏิสัมพิทาสี่เหล่านั้นธรรมปฏิสัมพิทาเป็นฉไนภิกจุในธรรมในนี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัภูตรธรรมเวทัละนี้เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาภิกจุนั้นรู้แตกฉานอัด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 2. อภิธรรมภาชนี 1. กุศลบาลเจ็ดรอยหปฏิจัมพิาทาสี่คือ 1. อัฏปฏิจัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิวรุตติปฏิจัมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไน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 ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวิบากแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุธใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตดิโสมนัตสัมปยุตได ย, ยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรตดโิโสมนัตวิปยุตจากยานสหรตดิโสมนัตวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง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 พราะนิรุธใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุธติปฏิสัมพิธาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิธาจำแนกปฏิสัมพิธาสโดยรูปาวจรกุศลจิต 127ปฏิสัมพิธาสี่คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิธา 2. ธรรมปฏิสัมพิธาสนิวรุติปฏิสัมพิธา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหะนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสัดจากาม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 โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเพราะก้าวล่วงอากิจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจตุตฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะ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 ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสโดยโลกุตระกุศลรจิต729ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา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 สองเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทา 2. อ, อากุศลวานจำแนกปฏิสัมพิทาสี่โดยอากุศลจิต7จ0ปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3.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 อวิเข็ปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิธาความรู้ในวิบากแข่งสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ญาณเหล่านั้นได้เพราะญาณใดว่าญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทา731าปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. อัฏปฏิสัมพิทา 2. ธรรมะปฏิสัมพิทา 3. า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 วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโทมานต์สำปรยุทธ์ด้วยปฏิฆะสหรคตด้วยโทมานต์สำปรยุทธ์ด้วยปฏิฆะเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยวิจิกิจฉาสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยอุทจัจจะมีรูปเป็นอารมณ์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 จำแนกปฏิสัมพิทา3โดยอเหตุตุกะกุศลวิปากจิตเจ็ปฏิสัมพิธา3คือหนึ่งอาธารปฏิสัมพิธา 2. นิวรติปฏิสัมพิธา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนะจักขวิ ญ, ญญาณที่เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทมได้จังสมกามาวาจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขาเอกคตามนินสีอุเปกขินสีและชีวิตินสีก็เกิดขึ้น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 สหรคตเพราะอุเบกขามีรถเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรุคดได้สุขมีโพธพภะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทาได้สั่งสมกามาวจรกุศลและกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัตสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุข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 สองนิรุตติปฏิสัมพิธาสามปฏิพาณปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากิตเป็นฉไหนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมมีโพธะเป็นอารม์หรือปรารพอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสม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 ความรู้ใน ญ, ญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทา735ปฏิาสัมพิทา3คือ 1. อัตถปฏิสัมพิทา 2. นิวรุตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาสภาวะธรรมที่เป็นอัปยากฤตเป็นฉนะมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบาก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 สามปฏิพาณะปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณละสหรคด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงละสหรคตด้วยโสมนัสวิสปยุทธจากญาณละ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 มีรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ธรรมได้สังสมกามาวจรกุศลกรรมโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภัทะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากริความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทา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 ปฏิสัมพิธาสามคือหนึ่งอัฏปฏิสัมพิธา 2. นิรุตติปฏิสัมพิธาสปฏิพาณนปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากการมบรรลุปธรรมฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใด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 ยานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทา3โดยอรูปาวาจรวิปากจิต739ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. นิวรติ ป, ปฏิสัมพิทา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 ละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอาวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะได้ทมได้สังสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตชานที่สอรคด้วยเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัทธะอวิเขปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยญากริจความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า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 จำแนกปฏิสัมพิธา3โดยโลกุตระวิปากจิต740ปฏิสัมพิธา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิธา 2. นิวรุตติปฏิสัมพิธา 3. ปฏิพาณะปฏิสัมพิธาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นฉนะไหน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 โยคาวาจรบุคคลสงัดจากกรรมบรลุปธรรมชาญที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากพราะได้ทำได้เจริญโลกุต ร, ร, ระกุศลละกรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤต ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตปฏิสัมพิทาการบัญญัติตภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิรุตใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นช <odes> ื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้ต่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณนปฏิสัมพิทา จำแนกปฏิจัมพิทา3าโดยอกุศลลวิบากาจิ741ปฏิจัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิจัมพิทา 2. นิวรุตติปฏิจัมพิทา 3. ปฏิพานนปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอพยกรตเป็นฉไนะจะขุวิญญาณที่เป็นวิบาก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 มีรถเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรัตคติทุกข์มีโพธะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเดชธรรมได้จังสมอกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสนาเวทนาสัญญาเจตนาจิตทุกข์เอกคตามนินทร์ทุกขินทร์และชีวิตตินทร์ก็เกิดขึ้น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 สามปฏิพานนปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นฉนมโนธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเบกขามีรูปเป็นอารมณ์หรือมีโพธะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยเบกขามีรูปเป็นอารมณ์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 เจ3ปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา2นิรุตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิพาณปฏิสัมพิทาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไหนะมโนธาตุที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมสหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์มีโพธพะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นพัฒนะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิบากวิจารอุเบคาเอกคตามนินสีอุเปกขินสีและชีวิตินสีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปแม้อื่น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 ยานเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทา744ปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. นิรุตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา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 และไม่เป็นวิบากแห่งกรรมมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบกขาเอกคตาวิวริยินสี่สมาทินสี่มนินสีอุเบกขินสี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 ความรู้ในการกล่าวท ร, รมณิยุรุ tn ั้นชื่อว่านิรุรุติปติสัมพิทาบุคคลรู้ยานเหล่านั้นได้เพราะยานใดว่ายานเหล่านี้จ่องเนื้อความนี้ความรู้ในยานทั้งหลายชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาจำแนกปฏิสัมพิทาสโดยกริยาจิต745ห ปฏิสัมพิทา3คือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิธา 2. นิวรุตติปฏิสัมพิธา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิธา 4. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไหนมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยา 5. ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรม 5. สหรัตคติโสมนัต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 ไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอากิญจั ญ, ญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุถชานที่สรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น พัทธะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพญากริจความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาการบัญญัติสภาวธรรมเหล่านั้นมีได้เพราะนิวรุดใดความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุธนั้นชื่อว่านิรุดติปฏิสัมพิทาบุคคล